ตีรณะนะคือรู้ว่านามและรูปนั้นอ น, นิจางทุกขังหน้าตาก็ไม่เลือนไปจากสมองแล้วของบุคคลบรรลุญาณจะฝังใจข้ามชาติก็ไม่เคยลืมเกิดอีกขีชาติก็ไม่เคยลืมและแม้ข้อแม้ใดๆก็ไม่มีที่จะทำให้ท่านเหล่านี้หลงและลืมลืมหรือรู้สึกว่า ไม่ใช่ตัวไม่ใช่ตนอย่างที่ว่าถ้าสมมติว่าใครเกิดขึ้นมาเป็นโสวดาบันจากท้องพ่อท้องแม่โสตดาบันบรรลุมรรคยานมาแล้วพอเกิดขึ้นมาเนี่ยไม่ต้องไปฟังเทศและไม่ต้องไปห้ามไม่ต้องไปล้างสมองคนเหล่านี้จะมีความรู้สึกว่าโลกนี้ไม่สูญไม่มีตัวตนจริงๆมีแต่นามมีแต่รูปพูดง่ายๆว่า ถ้าเขานึกถึงความจำของตัวเองก็จับลักษณะได้เลยรู้ว่าเป็นแต่ลักษณะอย่างหนึ่งๆเท่านั้นขยับขยื่นจะพูดง่ายว่าความรู้เหล่านี้ความสำนึกเหล่านี้มีติดตัวมาตั้งแต่เกิดและสำนึ ก, กว่าสิ่งเหล่านี้ไม่เที่ยงเป็นยัง ต, ติดตัวมาตั้งแต่เกิดแล้วก็เบื่อหน่ายสิ่งเหล่านี้ติดตัวมาตั้งแต่เกิดไม่ต้องสอน แล้วก็แม้ไม่พบพระก็สามารถเอาความรู้สึกเหล่านี้ความเข้าใจเหล่านี้มาตั้งต้นทำวิปัสนาต่อได้คนโสเป็นโสดาบันเนี่ยถ้าพ้นสมัยพ้นชาติก่อนไปแล้วเอาตัวรอดแล้วเป็นวิปัสนาเองเลย กำหนดนามกำหนดรูปไม่มั่วเองได้เองเลยรู้เองเลยทั้งความเพียรก็ปราลบด้วยตัวเองเลยไม่ต้องไปกระตุน้นไม่ต้องอะไรคืออยากไปนิพพานเองไม่ต้องไปสอนนิพพานนะปจัจโยโหตุกักบพระโสดาบันที่เป็นมาตั้งแต่ท้องพ่อท้องแม่ มันแรงมากนะขนาดเราสร้างสมอุปนิสัยบารมีธรรมดามายังบางทีบางคนยังแรงอย่างนั้นเห็นนะทั้งดีทั้งชั่วนะมันแรงจนฝืนไม่ได้คือคนนี้ลองต้องแล้วก็ต้อ ง, ต, องต้องใครห้ามไม่ได้ตัวเองก็ขนาดตัวเองเนี่ยฟังเหตุผลแล้วพยายามจะเอาชนะความรู้สึกดีๆเหล่านั้นด้วยความอยากจะตามใจคนอื่นเขาดูเนี่ยก็เอาชนะไม่ได้ครับ เพราะอะไรเพราะบา ร, รมีเก่าแข็งมากแม้ความรู้สึกในทางไม่ดีก็เหมือนกันก็เอาชนะไม่ได้ง่ายๆมันไม่ใช่จะนะไม่ได้เลยเอาชนะไม่ได้ง่ายๆนี่มันของติดจวงแต่มรรคเนี่ยมันไม่มีทางเอาชนะได้เป็นอาถานพ์ธรรมที่จะไปล้มความรู้สึกของของท่านเหล่านั้นญาติเระณะปะหานะในขั้นมรรคเนี่ยถือว่า บริบูรณ์บริบูรณ์ในข้อที่ว่าไม่หลงถ้าจะนงหวังจะกำหนดรู้ก็ทันท่วงทีใครๆธรรมะเหล่านี้ความเข้าใจเหล่านี้เป็นของตัวเองแล้วเหมือนกับคอมพิวเตอร์อยู่กับตัวแล้วเนี่ยเอาละทาไมไม่มานัติการก็ไม่ใช่ว่าเครื่องมันจะเสียเครื่องข้อมูลจะเปลี่ยนจะมีไวรัสอะไรไมาทำลายเปล่า ถ้าจำนงจะ ก, กำหนดลูกเอานิ้วจิ้มดีเดียวออกได้เองรู้ว่าจะจิ้มยังไงจิ้มแล้วมก็ออกมาเพราะมันจูกบันทึกไว้โดยทรมมธยีธรรมในยามเองอย่างดีแล้วนี่เป็นเรื่องของมรรคขยาสมบูรณ์คือแต่ว่าในขั้นต้นเนี่ยถ้าพูดถึงในขั้นต้นปริญญาทั้งสามนี้ค่อยๆเติบโตไปตามส่วนเติบโตไล่กันไปตามส่วนก่าวคือ ที่เขียนยาตะเตียนะปหาหนะแล้วก็โยงลูกศอนลงมหามรรคเนี่ยหมายถึงสมบูรณ์ในขั้นมรรคสมบูรณ์พร้อมกันในขั้นมรรคอาการรู้ของปัญญาก็ได้สัดส่วนสมบูรณ์เช่นเดียวกันกับอัดถังกีกามรรคสมังคีกันได้พอดีพอดีเนี่ยมันมีข้อสังเกตอันหนึ่งที่เห็นชัด คือยิ่งคุยยิ่งเห็นความมัศจรรย์ของธรรมในมรรคนะว่าเราก็บอกว่ามรรคแปดสมบูรณ์บริบูรณ์มรรคกสมังคีร้องชอดมาแต่ละตัวมันสมบูรณ์ด้วยลักษณะไม่ยิ่งไม่หย่อนเช่นว่าอาสัมมาวายามะโดยความเป็น อนุลักษณาประทานโดยความเป็นปหานประทานโดยความเป็นสังบอกประทานโดยความเป็นภาวนาประทานสมบูรณ์ไม่ยิ่งไม่หย่อนพอดีพอดีนะแล้วก็ปัญญาสัมมาทิฏฐิโดยความเป็นยาติปัญญาเตียนาญญาานาปริญญาปะหานาริญญาสมบูรณ์พอดีพอดีไม่ยิ่ง <forgiving S 2> <ป>ไม่หย่อนกันแต่ในขั้นโลกิยาณเนี่ย มันค่อยเป็นค่อยไปอันนี้เราคุ้นกันดีอยู่เลยดีเดียวแหละเพราะมันค่อนข้างจะสอดคล้องกับโลกกวีสัยความสำนึกในทางโลกกวีสัยเช่นยาตาปริญญาต้องมาก่อนตีละนะปริญญาใช่หรือไม่เราได้ปริญญาที่หนึ่งก่อนใช่ัหม ปริญญาย า, ยาเนี่ยปริญตาเนี่ยยาตาปริญญาต้องมาก่อนเอ้เราจะไปเอาตีลหน้าก่อนก็มไม่ได้จะไปเห็นอานิจังก่อนก็มไม่ได้กําหนดไงมันก็ไม่เห็นแต่จะเห็นก็เป็นอานิจังปลอม嘛เอ้ย่างนั้นเราเห็นได้อานิจังของอะไรไม่รู้อา น, นิจังก็เป็นสมุติแล้วก็เจ้าของอานิจังที่ตัวเห็นก็เป็นสมุดอีกเป็นภาพหลอนเป็นวิปัสนาหลอนไม่ใช่ของจริงของจริงจึงต้องต้องจับ ลักษณะเฉพาะให้ได้ให้ได้ปริญญานั้นก่อนแล้วอย่างอื่นจึงจะเป็นของเป็นสาระไม่เป็นโมฆะทีนี้ยาตะปริญญาที่กะเกณไว้ <c oughs> ในจุดที่เป็นยาตะปริญญาที่เป็นมาตรฐานเลยเนี่ยนะท่านถือเอายานที่หนึ่งกับยานที่สองเป็นเกณฑ์กำหนด คนได้ายานที่หนึ่งได้ายานที่สองเนี่ยอารมณ์เฉพาะหน้าคือลักษณะของนามและรูปแล้วก็กิจผลปรากฏใกล้ๆเหตุใกล้ๆแล้วก็อาจจะขยับไกลออกไปก็เอาด้วยถือว่าอยู่ในขอบข่ายของการรู้<อ>ความเป็นจริงของตัวนามตัวรูปอย่างชัดเจน ถ้าเรามานึกกันเอากันจริงๆเนี่ยเราทำวิปัสสนาครั้งแรกใหม่ๆเลยใหม่ๆพูดถึงว่ายังไม่ได้ญาณเนี่ยถามว่าระหว่างอารมณ์ปรมัตต์กับอารมณ์บัญญัติเนี่ยอันไหนมากกว่ากันบัญญัติมากกว่าใช่ไหมฮะมันออกไปหาบัญญัติเรื่อย นี่เราไม่พูดถึงว่าคนที่ไม่เข้าใจปรมัดเลยแล้วก็ไม่รู้อะไรเป็นบัญญัติเป็นปรมัดเลยนะมันออกไปเรื่อยขนาดเรารู้เนี่ยนะแต่เราก็ดึงกลับแล้วก็กําหนดย้ําย้ําเข้ามาแต่ทั้งมันมาอยู่กับปรมัดมากขึ้นแล้วก็จับลักษณะชัดขึ้นถึงแล้วไอ้ทีแรกเนี่ยเวลาเราจับนี่พูดถึงจริงๆให้ท่านนึกถึงเรื่องตัวทัานเองด้วยวจะจะได้เข้าใจพวกนี้ชัดขึ้นว่า เวลาเรากําหนดปวดเรารู้สึกปวดถามว่าปวดเนี่ยเป็นลักษณะอะไรในปัจจัตลักษณะของบรมัตธรรมหรือถามว่าเป็นเอาเป็นอะไรเอาอย่างนี้อาจจะกว้างไปนิดนึงผมก็อยากให้ให้ให้ให้ใหค่อยๆรัดเข้ามาว่าปวดเป็นรูปารมหรือเปล่า ปวดเป็นสัตว์ทาลมไหมปวดเนี่ยมีเสียงไหมเวลาปวดแล้วลบกวนข้างบ้านครับข้างห้องออฟอะลบก็ตอนที่เราทนไม่ไหวอะมันถึงจะลบกวนปวดเป็นกลิ่นหรือเปล่าไม่ใช่ปวดเป็นรสเปรี้ยวหวานมันเค็มไหมไม่ใช่ปวดเป็นธรรมมาลมคือเรื่องราวที่เราคิดนึ ก, ก่าไม่ใช่ ก็เหลืออยู่ทางเดียวที่จะต้องเป็นถ้าผมตอบว่าไม่ใช่อีกก็จบการบรรยายกันดันดีเลยเป็นโพดทับพะถูกไหมฮะเพราะมันปวดเนี่ยมันรู้สึกได้ที่กายยามศาสตร์เอาละเนี่ยรัดก็มาเป็นโพดทับพะทีนี้โพดทับพระเนี่ยในทางหลักรูปอรรมัตมันเป็นรูป ก, กี่รูปถามนักเรียนหน้าห้องมีรูป ก, กี่อ่า เัน น, นี้เอาเป็นว่าปัิวีอ่อนแข็งเนี่ยแล้วก็เตโชเย็นร้อนเคล่งตึงคื อ, อาวายโย<ม>ทีนี้ย้อนกลับมาว่าปวดเนี่ยมันเป็นอารมณ์อะไรอันนี้น่ะนี่แหละครับมันเป็นบทพิสูจน์ว่าถ้านักวิปัสสนาแล้วก็พอถามอย่างนี้แล้วมันแยกออกเลยครับ ยิ่งถ้าเราเอาคำถามนี้ไปตั้งถามตัวเองนะสังเกตจำเรืองดูสปาว่าในขณะปฏิบัติเนี่ยโอ้ยกล้ว ย, ยเลยครับมันลอยออกมาหเห็นเลยว่าความรู้สึกปวดไม่ใช่รูปใช่ไหมเป็นเวทนาขันที่เกิดขึ้นกับกายวิญญาณกิจมีกายวัตถุเป็นที่ตั้งมี ปวดนั้นมีอารมณ์เป็นอะไรเนี่ยครับเราก็มาดูว่าถ้าสมมติว่าเราปวดเพราะก้อนหินถูกกระทบเท้าผลักอารมณ์เป็นอะไรเป็นโพธพภะอะไรปฐวีพอหลังจากนั้นทิ้งเวลาหน่อยเกิดอาการอักเสบร้อน แม้ไม่อยู่ในร่มก็ร้อนอยู่ตากแดดก็ร้อนทายางหมองก็ยิงร้อนให้มันหายร้อนปวดวอะจะได้ร้อนอย่างอื่นแทนไม่ทาก็ร้อนหรือร้อนหนักขึ้นเป็นอะไรหรือหน้าหน้าหนาวเดินไปเหยียบน้ำค้างหนาวจัดบางทีไม่เหยียบอะหน้าหนาวจะจัดนะนอนแล้วก็ นอนกับพื้นเงี้ยนะเตินขึ้นมาจิตไปจับเท้าก่อนเลยปวดเท้าอารมณ์อะไรเตโชใช่ไ้มหนาวนี่เป็นเตโชใช่ไหมละ่ะแน่ใจนะเตโชนั้นะหนาวแน่ใจ ก, ก็แน่ใจเดียวกัน มันก็รู้สึกสทันทีมันมี้พูดว่าเวลาแล้วอยู่ในห้องปฏิบัตินี่หน้าหนาวไปหนึ่งเงอ่ะพรตื่นขึ้นม า, าจิตไปจับตรงนั้นแหละเพราะาอารมณ์นั้นมากระทบเพราะงั้นอันนี้ฮะเรียกว่ามันค่อยๆปราบกดทีนี้เราเนี่ยเอาละถึงเราจะทําอยู่บบบเดียวเนี่ยโปรดยันนึกว่าเราแจ้งอยู่เฉพาะอารมณ์นั้นอารมณ์เดียวนะวิปัสสนาเนี่ยเขา ก, เขาก็เขาก็เก่งตรงนี้ เราจะพูดว่าคนทําเก่งก็ยังพอฟังได้แต่พูดว่าอา่คนนั้นคนนี้เก่งก็จะไม่ดีไปอีกนะอมันมีการขยายตัวอย่างที่ผมเคยบอกบ่อยๆอย่าไปนึกว่าคนกําหนดริยาบทแล้วก็จะเห็นแต่ขารู้แต่เรื่องขาอย่างนั้นเท่านั้นนะอย่างอื่นมันเข้ามาเกี่ยวข้องโดยลําดับต่อไป ทั้งหกทวารไม่ใช่เฉพาะอันเดียวเพราะฉะนั davon, ้นไอ้แต่ละจุดกำหนดเนี่ยจึงเป็นสื่อนําเข้าไปหาความวิจิตโดยการยังเห็นต่อๆไปก็เป็นอันว่านิยาตาปริญญาณมาก่อนยาตาปริญญาที่สมบูรณ์คือยานที่หนึ่งและยานที่สองที่เรากำหนดเห็นมันก็ไม่ใช่ง่าย ทีนี้อะละนี่ผมเกือบจะลืมไปว่าไอ้กิตของมันหมายถึงอย่างเช่นว่าเรารู้สึกร้อนจับลักษณะร้อนแล้วเป็นยังไงนี่คือกิตมันก็เห็นอีกอถึงเราไม่ได้พูดมันก็คือเห็นอันนี้เช่นว่าร้อนแล้วมันก็เหงื่อไม่ออก ร้อนแล้วไม่ร่างกายจิตใจไม่ละสามลสายสงบเย็นกว่าตอนสบายๆนิดนึงก็ไม่มีหน่อยหนึ่งก็ไม่มีอาหรือบางทีอาวถึงบางจุดใจไม่ละสามลสายร่างกายไม่ละสามละสายแต่มันก็เกิดไอเรียกว่าความไม่เป็นสปะะัปเพะมันขวางไอความเจริญเดินดีของสติสมัมมาจาญย์เมื่อเหงื่อเรายังไม่ท่วมตัวอย่างนี้เราก็ไปอาบน้ําอาบน้ําหน่อยก็ ลดไอ้ลักษณะนั้นให้น้อยลงไอ้กิจที่มันมาเผาผลาญก็ไม่มีอย่างนี้นะเพราะนั้นไอ้เนี่ยคือเรื่องของกิจที่มันชั้นต้นเนี่ยเราจับลักษณะให้ได้ก่อนแล้วก็ทําไปทําไปมันก็จะตีคุกครีตรีมงมอยู่ันะถ้าถามเราก็จะแยกโดยออมเป็นอย่างนั้นอย่างนั้นอย่างนั้นบางทีเนี่ยไอ้ผลมันออกมามันเป็นข้อติดขัดเราก็มานึกว่าเอ๊ะทาไหมก็บอกอ๋อนี่ตอนนี้ไอ้ลักษณะ นี่กําลังปรากฏเด่นธาตุนี่กําลังปรากฏเด่นมันก็เลยมีผลปรากฏอย่างนี้เี่ยทําให้เห็นอย่างใกล้ๆให้เราคุ้นกับลักษณะสีอย่างอย่างทั่วถึงดีแล้วไอ้จุดคืบต่อไปคือคืบไปถึงเหตุของนามรูปในทางลึกยานที่สองมาคือเหตุแทนที่จะเป็นเหตุใกล้ก็เป็นเหตุไกลของนามรูป ที่เหตุไกลเนี่ยมันฟ้องสิ่งหนึ่งให้ชัดเจนคือความเป็นอนัตตาถ้าเราเห็นอะไรแต่ใกล้ๆเนี่ยความเป็นอนัตตามันน้อยมันไม่ไม่โจ่งแจ้งนะคล้ายๆอย่างนี้ว่าเออเรานี่มีใครเขาสรรสร้างมาหรือเปล่าเราก็รู้ว่าเราต้องกินข้าวจึงอยู่ได้เราต้องเรียนหนังสือต้องทํางานถึงจะสําเร็จอย่า ง, าางนี้ แต่ถ้ามีใครก็บอกว่าโอ้ยนี่เราเนี่ยถูกกำหนดชะตาชีวิตมาแต่ปางก่อนเบื้องบนอย่างนู้นอย่างนี้นะเอ้เราก็มองไม่เห็นเราก็ไม่เคยแน่ใจว่าเอ้เรานี่เป็นตัวของตัวเองหรือมีใครมาบันดาลอยู่หลังฉากในอดีตและในอนาคตต่อไปวาดอะไรไว้เราแก้ไขไม่ได้เราต้องมาเป็นอย่างนี้หรือเปล่านี้ถ้าสมมุติว่าเราเกิดกําหนดเห็นนามเห็นรูปอย่างนี้แล้วกําหนดล้วงลึกเขไปถึงอดีต พ่ออเราเป็นอย่างนี้ทั้งชีวิตหมานามรูปทั้งชาติเป็นอย่างนี้ในช่วงนี้เป็นอย่างนี้และในขณะ ก, การเสวย อ, อารมณ์ช่วงหนึ่งๆเป็นอย่างนี้เพราะเหตุปัจจัยในอดีตอย่างนั้นอย่างนี้ตรงนี้นะวิสุทธิมรรคพูดไว้ซะโอ้โฮยมากจนผมเชื่อว่าถ้าไม่เช่นักอภิธรรมเข้มขน้นแลว้วอ่านไม่รู้เรื่องเด็ดขาดเลยพูดไวยพิสดารเหลือเกินน่ะ ก็ยิ่งเห็นว่าโอ้อันนัตตาจริงๆไม่มีทั้งชีวาตะมันไม่มีทั้งปรามาตามันเป็นผู้กำหนดบงการเป็นไปตามกระแสเหตุปัจจัยก็เลยช่วยตรงนี้นี่คือยาตาบริญญาพอเห็นสิ่งเหล่านี้ชัดแล้วก็เรียนะคือดูดูกินเข้ากินลึกเข้าไปในตัวของสภาวะธรรมนะฮะ ไม่ได้ดูโยงเข้าไปหาสภาวธรรมต่างหน่วยคือถ้าเห็นลักษณะแล้วเห็นเหตุปัจจัยแลล ว, ว่าเหตุปัจจัยเนี่ยมันเป็นสภาวธรรมต่างหน่วยกับไอ้ตัวนามรูปที่เรากำลังเห็นลักษณะอยูย่โยงต่างหน่วยต่างการต่างคนออกไปอย่างนี้ต่างหน่วยเนี่ยบางทีมันก็ของเราอะนะแต่ ว, ว่ามันหน่วยสภาวธรรมเมื่อชาติปางก่อนแล้วก็ จากปัจจุบันไปหาอนาคตคือเรียกว่ามองสภาวะทั้งในฐานะผลของธรรมเก่าและในฐานะเหตุของปรากฏการณ์ของธรรมใหม่ในอนาคตด้วยก็นี้เมื่อเห็นตัวนี้แล้วก็มองเจาะลึกเข้าไปถึงในตัวมันเองว่ามันเป็นยังไงไอ้ตรงนี้กลับดีฮมันเป็นการลัดตัวเข้ามาของการอย่างเห็น ซึ่งเป็นเรื่องเรื่องที่บุคคลจะไม่ได้ผลสำเร็จใดๆด้วยการเห็นทีแรกอย่างนี้มันต้องเห็นหวานวงนอกมาก่อนแล้วก็เห็นรัดตัวเข้ามาพอไปถึงขั้นนิพพานขั้นไรเนี่ยมันก็เห็นรัดตัวเข้ามาในทางการกำหนดเป็นอารมณ์เฉพาะหน้าแต่มีอนุภาพทางญาณสูงเป็นปริญญาชั้นสูงมีอาการการคืนกลายอย่าง สูงเด่นเป็นพิเศษปหานะป ร, ะริญญาอ่าผมว่าตีละนะเนี่ยในชั้นการแบ่งโดยจุดเด่นท่านจึงถือว่ายานสามยานสี่แล้วไปจนกระทั่งถึงอนุโลมยานยานสิบสองท่านคงจะต้องถ้าดูตรงนี้ไม่ชัดเนี่ยให้ดูเอกสารที่แจกครั้งแรกที่ส่งเป็นใบเวียนนะแล้วก็วันนี้ คงจะแจกให้แล้วเพราะเขาแก้ไขอะไรแต่อะไรใหม่ไม่รู้วได้อย่างในนั้นที่มียานในพวกแล้วก็บอกว่ายานไหนเป็นปริญญาไหนอันนั้นก็จะช่วยขยายความตรง น, นี้ได้นิดหน่อยแต่ว่าก็จะต้องทำพิสดารอีกทีหนึง่งการเห็นอนิจังทุกขังอนัตตาเห็นตั้งแต่ยานสามไปจนกระทั่งถึงยานสิบสองคืออนุโลมยาน มีพระตะไลลักษณ์ของนามรูปเป็นอารมณ์หรือพูดอย่างอภิธรรมชัดๆเลยก็คือมีสามั ญ, ญลักษณะของปัจจัตาลักษณะแต่ยานสามถึงยานทีสองซึ่งมันมีอะไรบางอย่างต่างกันอยู่ให้ข้อต่างนั้นไม่ไม่ไ ม, ไ ม, ไ ม, ไม่พูดนะตอนนี้แล้วก็ยานที่เรียกว่าเป็นปหานากรินยาเป็นการละอย่างออกหน้าออกตา กำหนดตั้งแต่ยานห้าถึงมักคยานเลยนี่แบ่งโดยลำดับนะฮะก็โดยในอันนี้สำหรับแบ่งพูดอย่างไม่ซ้ำแล้วทํำอีกเนี่ยน ะ, ะหรือโดยลำดับมักคยานก็เป็นแต่ปหานาปริญญามีแต่ปหานาปริญญา คีอตรงนี้น่ะวิสุทธิมาร์กซังกัปยานจะบอกว่าการพูดโดยในนี้น่ะพูดอย่างเอากิจเด่นกิจประธานไอ้ทุนที่มันเป็นความรู้รองความรู้หนุนไม่พูดแต่ไอ้บางอย่างเนี่ยมันมาทับซ้อนกันอย่างเช่นยานห้านเนี่ยยกตัวอย่างสักยานเดียวนะนะแต่ให้หมายถึงยานอื่นด้วยเห็น ความดับเห็นพระไตรลักษณ์คือความดับแล้วก็เกิดความรู้สึกในทางละกิเลสด้วยยานห้าเนี่ยตีลันะก็ยังเด่นนะแล้วก็ปหานะก็เป็นของผิดแผกหรือของเพิ่มพูนขึ้นจากยานสี่เป็นต้น หยลงไปยานสี่ยังไม่มีความรู้สึกคืนกลายอย่างนี้ปหาหน้าปริญญาจึงเข้ามาประกบด้วยความรู้สึกที่เด่นพอๆกันครานี้ผมกระโดดประยานที่สองนิดเพื่อจะอธิบายในจุดเดียวกันเนี่ยยานสิบสองเนี่ยเห็นพระไตรลัก เป็นเตียงนาบรินเป็นเตียนาบริญญาการเห็นนี่เป็นเตียงนาบริญญาแต่ความรู้สึกคืนคลายไม่ได้มีอะไรเป็นพิเศษเลยมันกลายมาเป็นว่ายานสูงแทนที่จะมีความรู้สึกคืนคลายอะไรเป็นพิเศษมันก็ไม่มีอะไรพิเศษกว่ายานก่อนหน้านี้นะแต่มันก็มีฮรมีค่าแต่มันมั น, มนไม่ไม่เป็นพิเศษไอจุดความรู้สึกที่เห็นชัดเจน ก็ก็เลยถือว่าเตี้ยน้าปริญญาด้วยและปะหา น, นะก็อยู่ในนี้ด้วยเลยเป็นปริญญาที่คาบเกี่ยวอยู่ในยานชั้นเดียวกันระดับเดียวกันอันนี้เป็นวิธีการแบ่งแต่ที่ผมพูดเนี่ยก็ยังยังต้องพูดอีกนะพูดแล้วก็ถึงจะเข้าใจบ้างก็อาจจะหลุดลอยไปได้ ต้องย้ำแล้วก็ถ้งคลี่ยานให้ดูเห็นเทียบความแตกต่างจึงจะเข้าใจการสงเคราะห์ที่ท่านแบ่งไวายะท่านน้นทานนี้ปาหานะปริญญาเรามาดูปาหานะปริญญาที่ว่ากำหนดตั้งแต่ยานสามอนุโลมยานขอระทานโทษปาหานะปริญญาในทีนี้ตั้งแต่ยานห้า ถึงยานสิบสองและถึงมัคยานเลยที่เรียกว่าตั้งแต่ยานห้าขึ้นไปเนี่ยมีข้อเพิ่มเติมคือการคืนกลายกิเลสมีบทอธิบายในทางตำราไว้ด้วยอย่างดีแล้วแต่ว่าเรายังยังไม่อาจจะพูดกันได้ตอนนี้นะเป็นจุดพิเศษเป็นการคืนกลายแต่ไม่ทิ้งการเห็นมาใจลัก โดยไม่ทิ้งการเห็นพระใจแล้วการคืนคลายนั้นหรือการล้านั้นถ้าไม่ใช่มรรคยานเป็นตทางกับอาหารถ้ามรรคยานเป็นสมุจเจตบานปะหานป ร, ปริญญาจึงเป็นสองอย่างนี้และปะหานาตประธรรมเราก็คงไม่ลืมในนี้ไม่ได้บอกซ้าไปอีกก็คือต้องเป็นกิเลสแน่ไม่ใช่อื่นอคุสนสิบสองหรือโดยอริยศาสี่ก็เอาตัณหาเป็นประธาน นั้นปัญญาที่ปริญญาที่มันทำกิจอย่างนี้ทำกิจ ด, ด, ด้วยอาการด้วยอาการรู้อาการหนึ่งต่อกิเลสทั้งหลายเนี่ยเป็นปะหานะกิจทีนี้ก็มาดูเส้นโยงต่อไปอีกหน่อยสำหรับมักคยานมีกรณีอธิบายพิเศษออกไปที่ผมเชื่อว่า เราเองอาจจะเคยฟังแล้วมันสับสนอ่านมากเนี่ยนะ่าเอ๊เรียนะปริยาตะแล้วก็บางแห่งก็มีปหานากิจปริญญากิจสัจจิกาสัพพกิจแล้วก็สงเคราะห์เป็นโดยทุกสมุไรนี้โรดมากเอ๊ะมันต่างกันยังไงตรงนี้ก็จะบอกคำตอบท่านได้ในมัคขยานเนี่ยมีบทอธิบายพิเศษว่าตัวมันเองเป็นภาวนากิจที่บรรลุความสาเร็จแล้ว เป็นภาวนากิจที่สมบูรณ์นะฮะที่สมควรจะทําให้ผลปรากฏผลยานปรากฏแล้วก็โดยตัวมันเองมันก็เป็นภาวนาแตประทรมแปลว่าคืไอ้ข้อนี้แหละเห็นใจะคล้ายที่เราบอกว่าอบรมตัวเองจะ่ไมยกระดับตัวเองมักเนี่ยกระทุกมันก็ไปเที่ยวกําหนดรู้เขาทุกมันไม่ได้กําหนดรู้ตัวมันนะฮะมักไปกําหนดรู้ แล้วก็มักก็ภาวนาตัวเองตัวเองซึ่งเป็นตัวทํากิจ ด, ด้วยเป็นตัวถูกทําด้วยตามในทีน่นี้แต่ว่าไอ้เรื่องเนี้ในทางอธิบายนั้นต้องอธิบายกันให้หลุดเลยไม่งั้นเดี๋ยวก็เอ๊ะเป็นไปได้ยังไงทําตัวเองถ้าจะสงสัยว่าเอ๊ะอย่างนั้นเนี่ยแล้วทําไมไปเรียกคนทําวิปัสสนาว่าจเจริญภาวนา แล้ววิปัสนาญาณแต่ละอย่างไม่เป็นธรรมที่พึงจเจริญเลยถ้าเป็นธรรมที่ไม่พึงจเจริญแล้วไปเจริญทําไมเนี่ยท่านไม่สงสัยผมก็ต้องพูดให้ท่านสงสัยไว้แต่สงสัยแล้วก็ไม่มีก็ยังไม่ใช่เวลาจะตอบวันนี้คราวหน้าเมื่อท่านเห็นภาวนาหลายๆอย่างแล้วแล้วก็แต่ละอย่างมีจุดหมายยังไงแล้วก็สงสัยเอง เนี่ยเาเรียกว่าเป็นวิธีหลอกล่อมาฟังแล้วมาดูมัคยานที่มันมีคุณสมบัติพิเศษอันหนึ่งต่อไปนะฮะที่ที่ขึ้นหัวข้อไว้ข้างหน้าในวงเล็บไม่ได้แต่ตัวเลขสี่เหลี่ยมว่ามัคยานปริวัติที่เราจะเรียกสั้นๆว่ายานปริวัติหรือสั้นๆย่อลงไปอีกก็ปริวัติสามอาการสิบสองเคยได้ยินใช่ไหม มีที่มาจากธรรมจักรกับประวัตนาสูตรแล้วเคยสงบถามไหมว่าปริวัติสามใครปริวัติไม่ใช่ปฏิวัตินะปริวัติแปลว่าหมุนรอบอาการสิบสองอาการคืออะไรอาการของใครคำว่าปริวัติสามเนี่ยเป็นชื่อ ของมรรคยานที่หมุนรอบอาเลสสัตสี 4. ไอ้รอบนี่ก็ไม่ใช่หมุนเป็นสามรอบแบบแบบโคจรรอบนี้แหละครับหมายให้รู้ทีเดียวนแต่มีอาการเป็นสามอย่างพลังของความรู้เป็นสามรูปเรียกว่าพูดเต็มๆว่ามรรคยานบริวัติสามคือสัมมาทิฏฐิตัวเดียวนั่นแหละ แต่กําหนดรู้อรลยสัตว์สีอย่างเป็นสัจจยานตามความเป็นจริงกิจจยานตามที่ควรกระทำกะตะยานทำแล้วทำแล้วเนี่ยหมายถึงทำจบไปนานแล้วไม่ใช่อย่างนั้นนะหมายถึงทำแล้วอยู่ทำแล้วอยู่ พร้อมกันเลยอันนี้ต่างกะโลกยียานที่แยกค่อยๆได้ค่อยๆเป็นค่อยๆไปแต่พอถึงมรรคเนี่ยพร้อมเลยตรงนี้จะต้องอธิบายกันคน่อนข้างมาถือเป็นความอัศจรรย์ของปัญญาในพระพุทธศาสนาเหลือเชื่อฟังแล้วก็มันเป็นความเหลือเชื่อแต่เราก็พอจะเชื่อได้อย่างพวกเราเนี่ยนะไม่ต้องเชื่ออย่างชนิดที่ เชื่อไปเรื่อยไปเปื่อยอย่างตรองตามหลักการเหตุผลเนี่ยมันควรเป็นอย่างนั้นและการจะต้องล้างกิเลสอย่างสมุดเจดเนี่ยมันยิ่งควรจะต้องเป็นอย่างนี้นั้นทุกสมุดไทยนี้โลดมากเนี่ยแต่ละตัวเนี่ยก็เป็นสิ่งที่จะถูกยานทั้งสามเนี่ยกระทําโดยอาการต่างๆกัน อ, อ่ทุกขยานก็เป็นปรินยากิจ กำหนดรู้สมุทรไทยก็พึงละนี่โลดพึงทำให้แจ้งอันนี้ก็เป็นเรื่องที่เรารู้อยู่ผมควรจะต้องให้ดูแผ่นใสอะไรสักนิดหนึ่งประกอบไปด้วยออาวางไว้ในนี้นะกัรทีก็ฮะมักขยานปริวัติทีที่ขึ้นหัวข้อไว้ในหัวข้อที่หกเอกสารหน้าสองนะที่เขียนพิมพ์ต่อๆกันไปในตามเอกสารเนี่ย อันนี้จะเขียนในแบบเป็นรูปโครงสร้างก็อย่างนี้ครับอันนี้อาจจะเห็นไม่ชัดแต่ก็คงจะนึกพอได้พอเป็นรูปโครงสร้างพลินเยยกิจที่กระทําต่อทุกคือออกมาเป็นรูปลักษณะอย่างนี้โดยอัตโนมัติฉับพลันทันทีแล้วครบวงรอบพร้อมกันไม่ใช่ทีละหนึ่งทีละรอบอย่างขั้นโลกอียวยานว่าทุก ความจริงคือทุกไม่น่าปรารถนาไม่น่าต้องการเป็นพิษเป็นภัยอย่าพูดว่าเท่าไหร่เท่าไหร่เนี่ยก็ไม่เต็มแก่ความรู้สึกของผู้ที่ถึงอยู่ขนาดนั้นพูดง่ายว่าความอย่างรู้อย่างเห็นเอาภาษามาพูดได้ไม่ไม่ทันไม่รู้จบอนุภาพของความรู้เนี่ยระบายได้ไม่รู้จบสอดคล้องไม่รู้จบกับบทบรรยายของพระพุทธเจ้าในทางปริยัติ วิจยจยาณว่าควรกาหนดรู้ก็เห็นว่าควรอย่างนี้ควรรู้ตามความเป็นจริงจริงๆแล้วก็รู้แล้วรู้อย่างครบถ้วจริงๆแล้วอยู่นันก็เหมือนกับว่าเราไปได้รู้อะไรสักอย่างเนี่ยเราจะรู้ว่าควรไม่ควรม่ต้องรู้แล้วนะถึงจะบอกได้ว่าควรไม่ควรเนี่ยมุดว่าเราไปเจ อ, อ ใครสักคนที่ควรรู้จักเราก็รู้จักแล้วโอเ้เขาก็ดีจริงๆเราก็จะบอกกับตัวเองว่าเนี่คนเนีเนนรร้เป็นคนที่ควรครบเป็นคนที่ควรคบเขาเป็นบัณฑิตแล้วเราก็ได้คบแล้วซึ่งเราไม่สามารถจะพูดได้ก่อนว่าเรายังไม่ทันจะรู้จักเขาก็บอกว่าควรครบอะไรต่ออะไรมันยังไม่พูดงั้นไม่ได้พูดได้อย่างเต็มความรู้สึกเนี่ย และพร้อมกันทั้งสามอย่างเนี่ยมันต้องครบยหละต้องเรียกว่าพบหาเขาแล้วถึงจะย้อนไปยิ้วเอาไอ้ไอ้หลักสองอย่างเบื้องต้นมาได้ว่าความรู้แล้วก็ความควรทีนี้ถ้าเรามองกลับว่าทุกเนี่ยทุกควร ก, กาหนดรู้ในชั้นต้นเนี่ยเราก็อาจจะยังนึกเถียงในบางระดับกับหลายๆคนไว้สมมติเราไป กำหนดดูอิทธิยาบทท้องพองท่องยุบลมหายใจเข้าออกงานจะนึกมันรู้ดูมันทําไมใช่ไหมแล้วยิ่งมือใหม่กว่านั้นยิ่งไปชัวรบอกไปทํำมิปัญนาถามมันทำยังไงก็กําหนดดูยกย่างเหยียบยานแล้วก็รู้อยู่แล้วจะไปดูมันทําไมเขาก็อาจจะเถียงอย่างนี้นีแ่แปลว่าเขาไม่มีความไม่มีคุณสมบัติของความที่รู้ว่าทุกเนี่ยควรรู้เลย ใชทีนี้เมื่อเราทําไปทําไปเนี่ยบางทีเนี่ยเราอาจจะไปถึงจะทําไปถึงบางจุดเนี่ยเห็นทุกข์เป็นของไม่ควรรู้ว่าเป็นทุกข์ไม่ควรเบื่อยกตัวอย่างเช่นว่าเกิดทําไปทําไปแล้วก็ไปเห็นเห็นความรู้สึกที่สบายดีอย่างบางวิธีเนี่ยอาจารย์เขาถึงพยายามบอกปลดปล่อยว่าอย่าไปติดทําแล้วนี่มันได้ออ้บางชั้นเนี่ยนะอย่าไปติดนี่เห็นทุกข์เป็นดีไป พวกนี้ก็บอกว่าเออไอ้ทุกนามรูปต่ำกว่านี้ควรรู้โดยความเป็นทุกข์แต่ไอ้ตรงนี้ไม่ควรรู้โดยความเป็นทุกข์อะไเงี้ยมันก็เถียงกันไปอย่างนี้คือคนไม่ถึงจุดบริบูรณ์พอถึงจุดบริบูรณ์แล้วก็แบ็ดเสร็จหมดแม้ป่าหานนะถามว่าระดับเราเนี่ยไปชวนคนบองคุณกิน เ, ลเหล้าหรือ คุณดั น, นีแล้วไปทำวิปัสสนาแล้วคุณจะไม่ขี้เหนียวเขาเสียดายกิเลสไหมถามคนขี้เหนียวแล้วไม่รู้เรื่องอะไรเลยเนี่ยนะขี้เหนียวจนเป็นโรคจิตแล้ว ไ, ไปบอกไปปฏิบัติทําไปฟังทำจะละความขี้เหนียวได้ก็ยอมไหมเขาไม่ยอมแล้วครับเขาต้องเสียดายกิเลสเขาไอไ้อชั้นสูงๆเหมือนกันนะเราผูกพันกับกิเลสลึกลงไปลึกลงไปเนี่ย มันมีให้เราต้องเปลึองต้องเอาชนะอีกมากเป็นปล้อยเป็นพันเท่าเทวีคูณซึ่งเราขณะนี้เรายังเห็นว่ามันดีอ่ะยังยินดีที่จะติดเห็นความติดไอ้นูนไอ้นี่เป็นเรื่องดีถึงอย่างที่เห็นในชั้นห ย, ยาดหยาดเนี่ยเป็นความสุขเป็นความสมหวังสมมุติว่ามีเราไปเลื่อมใสายใครสักคนเราก็อยากจะให้เขาดีตามที่เราเลื่อมใส ใครมาบอกไม่ดีก็รู้สึกผิดใจเราแล้วถ้าเกิดเขาไม่ดีขึ้นมาจริงๆเราไม่อยากจะเชื่อนะฮะว่าเขาไม่ดีอย่างงั้นจริงๆแล้วถ้าเกิดเชื่อเราก็ผิดหวังเสียใจกระเทือนใจเป็นไปได้ใช่ั้มเป็นไปได้เนี่ยคือเราเรายัางไอ้จริงๆนะคือเราติดกิเลสของเรามันถึงออกมาเป็นลักษณะอย่างนี้เพราะตรงนี้เพราะติดติดกิเลสเนี่ย กิเลสเนี่ยมันไปแฝงอยู่กับ น, น้ำกับลูกเราปล่อยน้ําปล่อยลูกก็คือปล่อยกิเลสปล่อยกิเลสคือปล่อยนา้าปล่อยลูกมันก็ก็คืนกลายละแล้วเราลองคิดดูนะฮะมีใครบ้างที่ถึงขั้นมรรคแล้วเนี่ยจะมีความผิดหวังว่าแหมเราไม่ น, าน่าละเลยกิเลสสมมุติเราเป็นพระอาหารหันต์แล้วเป็นโสดาบันแล้วนะเนี่ยดูสิเนี่ ย, ยทําให้เรามา แทนที่จะไปสนุกสนานเต้นลาหรืออะไรดอ่ออะไรอย่างที่คนมีกิเลสเขาสนุกสนานเราก็เลยไปนั่งดูหมดกิเลสเราไปบระอรหนันมีคนมาชวนไปเที่ยวสนุกสนานโสดาบันมีคนชวนไปเที่ยวทําความผิดก็นั่งผิดหวังหน้าเศร้าบอกพลาดไปแล้วผมในหน้าเลยชีวิตเลยหมดสนุกไม่มีอย่างงี้ นะฮะถึงจุดสมบูรณ์แล้วยังไม่มีอย่างนี้ถ้าไม่สมบูรณ์ก็สมหวังกับกิเลสบางตัวแล้วก็ไม่แน่ใจกิเลสบางตัวหรือไอ้การละอย่างไม่ไม่สมุเดเจตนี้มันมีความรู้สึกโวกลับได้ถูกไหมเอาเอ า, เอาง่ายๆอีกว่ า, าเอาเป็นเรื่องในสมยัยวิทยการพระองค์หนึ่ง เป็นลูกคนร่ำคนรวยออกมาบวชบวชแล้วก็ไม่ได้ช่วยพ่อแม่บริหารธุรกิจการงานจนกระทั่งพ่อแม่จนอยากจนอดอยากถึงกระทั่งมาขอทานตัวเองก็ไม่ได้รู้เลยมาลูเข้าที่หลังก็เสียใจว่าเอ๊ะเราเนี่ทําถูกหรือทําผิดทั้งที่ทีแรกนะแมมจะเป็นจะตายจะออกบวชให้ได้ พอมาถึงจุดนี้แล้วก็เกิดความรู้สึกอย่างนี้ขึ้นมาเนี่ยนี่เป็นกรณีหนึ่งเราเทียบเหมือนอย่างเราเนี่ยเราต้องมีไอความรู้สึกเสียดายกิเลสว่าไม่ควรอย่างโนอย่างนี้ซึ่งมันฝืนกับกระแสถังเพราะเรายังไม่สมุตดเขตนะถึงเป็นอย่างนี้ได้ถ้าสมุดเขตแล้วยิ่งไม่มีเลยครับยิ่งสมหวังยิ่งนานยิ่งสมหวัง ต่อให้ตายไปอีกกี่ชาตกิก็ยังสมหวังและยิ่งสมหวังทีกริยาแล้วก็ภาวนาเนี่ยพวกนี้ก็ออกมาเป็นเรื่องอย่างที่เรารู้ๆกันอยู่แล้วทำกิจครบวงรอบครบวงจรก็เป็นอย่างนี้อขอเติมสัจคกิริยากิจนิดนึดนงนะกิจที่พึงทำให้แจ้งแล้วก็บอกว่า อะไรเป็นสิ่งเพึ่งทําให้แจ้งก็คือผลผลเนี่ยใครเป็นผู้ทําให้แจ้งตัวผลเองและตัวมั ก, มกทําให้ถึงและความรู้สึกแจ่มแจ้งพอมันจบกิจก็คือผลยานในผลแต่ว่ายานในผลนั่นหรือเป็นยานที่มันสูงจนพ้นจึงเกินความเป็นปริญญาใน ความประสงค์ที่ท่านต้องการเหมือนกับยานต่ำเนี่ยต่ําจนไม่ถึงขั้นเป็นปริญญาเทียงที่อาการบางอย่างก็ดูคล้ายๆปริญญาแต่ก็ต่ํากว่าเกณฑ์อันนั้นนาค่อยว่ากันอีกทีสัจจิกาแต่ประธรรมที่พึง ท, ท, ท, ท, ทําให้แจ้งก็คือผลสี่มีทัศน์สัจจิกริยาคือผลที่หนึ่งโสดาบริผลภาวนาสัจจิกริยาคือผลเบื้องบน เ น, นี่ยก็คำว่าภาวนาก็ม่ใช้ซ้ำซ้อนอยู่ตรงนี้ก็อย่าเพึ่งไปงงกันแล้วกันตอนนี้นะก็หมายเอาผลเบื้องบนสามก็แล้วกันเอาะฮะวันนี้ก็คงจะพูดได้ครบตามที่ได้ตั้งใจไว้ตามเอกสารนะคราวน่าจะได้ขึ้นแต่ละประเด็นโดยพิสดารต่อๆไป